ต้นไม้นั้นจะไหวดื้หรือหรือว่าหาไม่ได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าใชยว่ากิ่งไว้แล้วเจะไหวถึงลําต้นหาไม่ได้เพราะต้นไม้นั้นใหญ่จึงไหวแต่กิ่งพระนากเกษรเถระจึงเปรียบว่ามหาราชา